รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่31จิตบำบัดเชิงพุทธกรณีเฉพาะตนของท็อปอาชีพจิ ต, ตแพทย์ลักษณะางานที่ทำดูแลคนไข้ทางจิตประสาททั่วไปและกำลังร่วมโครงการจิตบำบัดเชิงพุทธ ซึ่งเน้นการประยุกต์วิธีเจริญสติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนควบคู่กันไปกับการรักษาแผนปัจจุบันคำถามแรกอยากทราบความเห็นในมุมมองของคุณดังตรินในฐานะที่ทำงานเผยแพร่วิธีเจริญสติบางครั้งเพื่อนร่วมอาชีพของผมเห็นความสำคัญของตนเองกันน้อยคนไข้บางราย ทำเอาหมอแทบจะเป็นโรคประสาทตามและไม่เหลือกระจิตกระใจจะช่วยคนไข้วิธีไหนอีกเพราะพลิกตำราแทบทุกเล่มมารักษาแล้วคนไข้ก็ไม่ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะคนไข้ที่ย้ำคิดย้ำทำไม่เชื่อว่าหมอจะช่วยได้ทั้งพุทธเราเน้นแก้ปัญหาเรื่องจิตเหมือนกับจิตแพทย์จึงน่าจะจัดให้พระพุทธเจ้าเป็นจิตแพทย์ด้วย แต่เป็นจิตแพทย์ที่มองภาพรวมของปัญหาว่าไม่ได้เกิดจากปมในวัยเด็กหรือวัยไหนโดยเฉพาะที่แท้แล้วให้คนเราใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นทุกข์อยู่ดีพระพุทธเจ้ามองที่มาที่ไปของปัญหาอย่างตลอดสายครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เกินวิสัยวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ทราบตามอย่างเช่นผลของกรรมการเวียนไหวตายเกิดบทลงโทษในนรก และการตกรางวัลบนสวรรค์ดังนั้นถ้ามองจากมุมของผมผมจะมองว่าคนที่มีอาการไม่สบายทางจิตอ่อนๆไปจนกระทั่งถึงขั้นป่วยทางจิตอย่างรุนแรงนั้นไม่ใช่แค่ปมปัญหาเล็กๆในชีวิตแต่มักหมายถึงชีวิตเกือบถึงทางตันอยู่รอมรอหรือกระทั่งใกล้จะลงนรกอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการเยียวยาคนไข้าทางจิตให้ดีขึ้น จิตแพทย์จึงไม่ได้ทำหน้าที่แค่หมอรักษาโรคอย่างเดียวทว่าเป็นถึงคนสำคัญในชีวิตของผู้ป่วยอาจเป็นกิ่งไม้สุดท้ายที่จะช่วยไม่ให้เขาร่วงหล่นลงเหวหรือกล่าวได้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของจิตแพทย์คือเหนี่ยวรั้งไม่ให้คนต้องลงนรกไปทั้งตัวหรือไม่ก็ช่วยฉุดคนจากนารกขึ้นมาบนดินอย่างไรก็ตาม ในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ยากที่จะอย่างรู้ว่าอมของกรรมที่ทําให้คนไข้ต้องทุกข์ทรมานเช่นนั้นคืออะไรกันแน่อย่างมากก็แค่สอบถามซักไซส์กสันตามหลักการซึ่งถ้าคนไข้หรือญาติคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือไม่ดีหรือจิตแพทย์เองตีความวินิจฉัยไม่ตรงจุดการรักษาก็มักยืดเยื้อหรือล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอย่างความท้อแท้ให้เกิดขึ้น คนไข้บางรายขาดยากล่อมประสาทเมื่อไหรก็ชักดิ้นชักงอใหม่เพราะต้นเหตุแห่งโรคต้นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงยังอยู่ติดตัวเสมอทางจิตเวช ท, ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการรักษาที่ได้ผลนั้นบางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหมอเก่งหรือไม่เก่งและก็ไม่ใช่ความผิดของคนไข้ที่เป็นโรครักษายากแต่อาจขึ้นอยู่กับความเข้าคู่กันระหว่างหมอกับคนไข้ได้ดีเพียงใด พูดง่ายๆคือถ้าโชคไม่ดีที่ทั้งคู่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคู่สงเคราะห์กันพยายามช่วยจนตายก็ไม่หายขาดแต่ถ้าจับถูกคู่ถึงแม้ไม่ลงทุนลงแรงมากก็หายสนิทเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์ทางพุทธก็เช่นกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งเป้ารักษาได้ทุกเคสแม้พระองค์เป็นจิตแพทย์มือวางอันดับหนึ่งของโลกผู้มีเครื่องมือรักษาครบพร้อมทั้งยานอย่างรู้ใจคนไข้ ทั้งยานอย่างรู้อดีตกรรมของคนไข้และทั้งยานอย่างรู้ทางรักษาคนไข้พระองค์ก็ส่งประกาศชัดว่าท่านเป็นนักชี้ทางไม่ใช่นักอุ้มจริงอยู่ว่าท่านไม่ได้ดูดายแต่ขณะเดียวกันก็ไม่แบกใครขึ้นหลังถ้าชี้ทางแล้วไม่เดินตามก็ปล่อยให้ยืนกับที่หรือเดินหลงทางต่อไปเป็นเรื่องของกรรมใครกรรมมัน ถ้าเราเล็งเห็นว่าแนวทางของจิตแพทย์มือวางอันดับหนึ่งอย่างพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นอย่างไรแล้วเรากําหนด จ, จิตตั้งทิศทางให้เป็นไปตามนั้นก็จะมีความสุขและเห็นค่าของตนเองลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมกล่าวโดยย่นย่อจิตแพทย์เช่นพระพุท ธ, ธองค์ทรงมีความเมตตายิ่งมีความการุณายิ่งพฤติทางจิต ที่บ่งบอกว่าเมตตายิ่งคือการเอาใจใส่ใจปรารถนาจะช่วยให้คนไข้พ้นทุกข์ความรู้สึกแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณชาชินหรือเบื่อหน่ายกับหน้าที่ของตนเองแต่เมื่อเห็นค่าของตนเองว่าไม่ใช่แค่หมอรักษาแต่เป็นผู้เปลี่ยนชีวิตคนเห็นจริงๆรู้สึกจริงๆเข้าไปเต็มเตมใจมหาเมตตาก็จะเออขึ้นมาเต็มอกและพร้อมหลังรินออกสู่มหาชนไปเอง รูปติทางจิตที่บ่งบอกว่ากรุณายิ่งคือการอยากพูดแนะนําอยากใช้ยาที่ดีที่สุดมารักษาคนไข้โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมใดๆเข้าตัวความรู้สึกแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณทําคลินิกเองและอยากได้สตางมากกว่าอยากได้ความรู้สึกดีๆทําทําไปด้วยใจเมตตากรุณาจ น, จนจิตตั้งมัน่น รู้สึกถึงการเป็นยิ่งกว่าหมอรักษาโรคขึ้นมาจริงๆเมื่อไรคุณจะพบว่าทุกอย่างตามมาเองนับแต่กระแสะความอบอุ่นกระแสะความเป็นที่พึง่งซึ่งแค่คนไข้มาอยู่ใกล้คุณเขาก็อาจรู้สึกเหมือนหายป่วยไปนิดหนึ่งหรือรู้สึกเหมือนกำลังจะเดินออกจากอุโมงค์มืดมาครึ่งทางแล้วเมื่อรักษาไข้ทางใจให้คนอื่นได้ คุณย่อมเกิดความปรีดาปราโมทเรียกว่ามีมุทิตากับคนไข้ที่มีชีวิตดีขึ้นคุณจะไม่มีทางรู้จักอารมณ์แบบมุทิตากับการหายป่วยของคนไข้อย่างแท้จริงหากขาดพื้นฐานความเมตตากรุณาเป็นตัวตั้งตน้นอย่างมากก็แค่เพิ่มกับผลงานอีกชิ้นของตนเองได้พอกอัตตาเพิ่มเท่านั้น และในโลกความเป็นจริงที่คุณไม่ใช่เทวดาย่อมมีบ้างที่คุณรักษาไม่หายเจอคนไข้ดื้อบ้างไม่ถูกชะตากับคนไข่บ้างสาเหตุของโรคไม่มีทางถูกกำจัดบ้างตรงนี้คุณต้องเห็นตามจริงว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นทามาของเขาอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นคุณมีแค่สมองสองตาและหนึ่งใจเท่านี้ก็ต้องวางเฉยเป็นอุเบกขากันด้วยเหตุด้วยผลตามจริง ย้ำว่าอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่เห็นใจคนไข้นะครับบางทีจิตแพทย์ถูกสอนให้การตัวเองมาเป็นตังหาจากคนไข้เป็นเพียงผู้สังเกตกระทั่งถือความรู้สึกผิดๆจนแปลกแยกและเหมือนใจดำกับคนไข้มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ตระหนักว่านั่นจะส่งผลให้เบื่อหน่ายกับสิ่งที่ทำและไม่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของตนเองในระยะยาว สรุปว่าถ้าจะเป็นจิตแพทย์อย่างมีความสุขสูงสุดนะครับคือต้องมีความหลงไหลในการช่วยคนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเก่งในเรื่องวางเฉยในฐานะนักสังเกตกรรมของคนไข้ด้วย ที่ 2. ถ้าจะวางจิตแพทย์ไว้ในฐานะครูสอนการเจริญสติควรจะเริ่มอย่างไรหรือทำความเข้าใจตรงไหนก่อนก่อนอื่นมามองกันว่าความรู้ในตำราของจิตแพทย์ทั้งหมดนั้นเยือนอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์คนไข้คือมองก่อนว่าคนไข้ผิดปกติอย่างไร แต่จะไม่เน้นมองว่าจิตแพทย์เองกำลังปกติดีหรือเปล่าและมีพลังหรือคุณสมบัติสำคัญในการเยียวยาคนไข้แค่ไหน <_ C> คือตามหลักสูตรจะให้จิตแพทย์สำรวจตนเองเหมือนกันนะครับเพียงแต่ไม่ได้เน้นแล้วหลักการสำรวจก็แตกต่าง ก, กันกับครูสอนเจริญสติแบบพุทธทำความเข้าใจดีๆว่าเราไม่ได้กาลังคุยกันเรื่องหรือระบบจิตแพทย์ให้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ที่เคยทำกันมาอย่างไรก็ทำกันไปอย่างนั้นเพียงแต่ถ้าจะประยุกพุทธเข้ามาช่วยกันจริงๆเราก็ต้องดูตัวอย่างจิตแพทย์หมายเลขหนึ่งของพุทธพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบที่มีหลักสำรวจตนชัดเจนท่านทราบพระองค์เองว่ามีสติเต็มบริบูรณ์แล้วพ้นทุกทางใจอย่างเด็ดขาดแล้วกับทั้งเต็มไปด้วยญาณอย่างรู้เพื่อช่วยรักษาคนไข้ครบเครื่องแล้ว้วยความเป็นพระองค์ท่านเช่นนั้น จึงให้คำแนะนำการเจริญสติได้แบบไม่หลงทางและไม่ใช่สักแต่ให้คำแนะนำตามตำราที่สืบสืบกันมาท่านยังเข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้วการเจริญสติมีอุปสรรคอย่างไรและจะแก้ไขด้วยวิธีไหนกับทั้งทราบชัดด้วยว่ากับคนไข้หนึ่งหนึ่งรักษาวิธีไหนจะล้มเหลวต้องรักษาวิธีใดจึงได้ผล เราคงไม่ต้องให้ได้อย่างพระพุทธเจ้าเสียก่อนแต่พระองค์สอนให้เราพยายามเรียนแบบท่านเรียนแบบพระอรหันต์ด้วยการเริ่มต้นทำความเข้าใจว่ากายใจเป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกภาวะมีความไม่เที่ยงมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาอยากได้ผลแบบไหนก็ต้องสร้างเหตุให้สอดคล้องแบบนั้นเมื่อทำความเข้าใจด้วยความคิดกันแล้ว ขั้นต่อไปก็คือฝึกจิตกันแบบพอมีพอเป็นได้เฉพาะตนกระทั่งเกิดคุณสมบัติที่ควรมีในการถ่ายทอดวิธีเจริญสติให้แก่คนไข้3มข้อใหญ่ๆได้แก่ 1. มีสติคำว่ามีสติหมายถึงการรู้ตัวอยู่ว่ากำลังทำอะไรปราศจากความสำคัญผิด คิดว่าตนเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นอยู่จริงๆแค่นั้นนับว่าเป็นการมีสติอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ที่จะเป็นครูสอนการเจริญสติก็ควรเพิ่มความสามารถในการระลึกรู้เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดคือรู้ภาวะผิดปกติทางใจใดๆอันอาจเกิดขึ้นกับตนเองแม้ความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่า ความเครียดและความเมื่อจิตแพทย์ที่ต้องรบกับคนไข้นับสิบต่อวันนั้นต่อให้จับประเด็นเก่งขนาดไหนซักเข้าจุดได้เชี่ยวชาญปานใดอย่างไรก็หนีไม่พ้นความเครียดหรือถ้าเหนื่อยหน่อยก็เมื่อเป็นระยะฝั่งคนไข่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเป็นธรรมดาวิธีรักษาสติไว้ก็ไม่ง่ายไม่ยากครับคือเราต้องไม่หนีความเครียดกับความเม่อ แต่เอาความเครียดกับความเหมื่อนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ต่ออายุของสติเมื่อเครียดให้ระลึกว่าเกิดภาวะเครียดแล้วถ้าเหมือ่อให้ระลึกว่าเกิดภาวะเหมื่อแล้วเมื่อความเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นซึ่งอาจมาในรูปของความตึงในศีรษะหรือความฝืนเกรงตามร่างกายแล้วคุณฝึกที่จะระลึกรู้ก่อนจะเครียดไปกว่านั้น จะเห็นอาการคลายตัวลงทันทีเช่นอาจรู้สึกว่าความตึงในศีรษะหรือความเกรงตามร่างกายผ่อนผายสบายขึ้นหากเคยชินกับการตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการมีสติอย่างง่ายๆเท่านี้นานไปในที่สุดจะสะสมกำลังเป็นสติอย่างใหญ่และกลายเป็นเครื่องมือตัดตอนความเครียดไม่ให้ขเขม็งเกลียวต่อเนื่องหรืออย่างน้อยที่สุด ก็เป็นตัวตัดแบ่งความเครียดออกเป็นท่อนๆไม่ให้พอกผูณเป็นก้อนเครียดโตๆได้จริงอยู่ความเครียดชนิดสะสมงานหนักย่อมไม่สลายตัวไปเพียงเพราะอาการรู้เท่าทันแต่ทำบ่อยๆจนชินแล้วคุณจะอยู่ในภาวะที่สบายที่สุดมีสติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับการเป็นหมอที่ต้องเจอคนไข้ทั้งวันเช่นเดียวกันกับความเมื่อ ซึ่งหมายถึงอาการที่ใจคอยอยากแวบหายไปจากคนไข้ตรงหน้าหากฝึกที่จะระลึกรู้ให้ทันเหมือนดึงตัวเองกลับมาจากมิติอื่นโดยไม่คาดคันตัวเองว่าห้ามเหม่ออีกแค่จะดูเฉยเฉยในที่สุดจะสะสมกำลังเป็นสติอย่างใหญ่แม้จิตเริ่มทำท่าจะแวบไปทางอื่นก็เห็นอาการจะหนีจะหายนั้นและกลับมาอยู่กับเหตุการณ์ตรงหน้าได้เองโดยไม่ต้องออกแรงดึง ฝึกถึงระดับหนึ่งคุณจะสัมผัสความเปลี่ยนแปลงในตนเองนั่นคือสามารถนั่งเผชิญหน้ากับตัวยั่วยุให้เครียดและตัวชักนำให้เม่อได้อย่างไม่สะทกสะท้านคุณจะรู้เรื่องคนไข้ไม่ตกหล่นแต่ขณะเดียวกันเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในคุณเองคุณก็จะรู้สึกไปด้วยเช่นกันแตกต่างกันมากจากเดิมที่คุณมีสติเพื่อรู้เรื่องของคนไข้อย่างเดียว โดยแทบไม่สังเกตเห็นความผิดปกติของคุณเองเอาเลย 2. มีความสุขความเครียดจัดเป็นทุกข์ความเมื่อลอยเบื่อหน่ายเหมือนอยากหลบลี้หนีหน้าคนไข้ก็จัดเป็นทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่ซ่อนไม่ได้แม้ไม่ปรากฏทางสีหน้าก็ออกมาทางแววตา หรือสะสมแรงอัดจนคนไข้รู้สึกพลอยอึดอัดไปด้วยอยู่ดีแต่เมื่อเครียดเรารู้ทันเมื่อเหม่อแล้วระลึกได้เห็นลักษณะาภาวะทุกข์ในตนแล้วเป็นอิสระจากภาวะนั้นๆได้ก็ย่อมผ่อนคลายกลายเป็นสบายได้เรื่อยๆสิ่งที่คุณจะพบด้วยตนเองหลังจากผ่านเดือนผ่านปีไปคือตัวคุณจะเป็นแหล่งผลิตความสุขที่คนไข่รู้สึกได้และแม้อยู่ใกล้คุณ เขาก็จะรู้สึกคล้ายเข้ามาอยู่ในสนามพลังสติพลอยจุดชนวนสติให้เกิดขึ้นในเขาอย่างอ่อนๆได้แล้วสรุปคือด้วยความสุขกับการมีสติของคุณแม้ยังไม่ทันต้องสอนคนไข้ให้เจริญสติเขาก็เหมือนได้สติหรืออย่างน้อยอยากมีสติขึ้นมาบ้างเพราะเกิดความเชื่อมั่นว่า ถ้าฟังคําแนะนำจากผู้มีความสุขกับการมีสติเขาก็มีสิทธิ์เป็นสุขกับการมีสติไปด้วยได้ 3. มมีทางออกงานแบบจิตแพทย์เป็นงานศิลปะในการช่วยคนที่กล่าวเป็นศิลปะเพราะไม่มีกรอบตายตัวว่าปัญหาต้องอย่างนี้เท่านั้น ทางออกคืออย่างนี้แน่นอนคุณต้องอาศัยความฉลาดเฉพาะตัวไวพริบปฏิพานตลอดจนความคิดสร้างสรรค์เฉพาะหน้าซึ่งโดยมากมาจากการสั่งสมประสบการณ์ตรงมากกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยไหนๆรู้เข้ามาในกายใจตามหลักเจริญสติของพระพุทธเจ้าและคุณจะฉลาดในจิตที่เกิดได้ดับได้ทุกชนิดของตนเอง คนที่ฉลาดในจิตของตนเองจริงๆนั้นนะครับจะพลอยฉลาดในจิตของผู้อื่นไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องรู้เฉพาะตนอย่างแท้จริงแม้คุณจะไม่ถึงขั้นได้เจโตปริยญาณดักความคิดของคนไข้ได้แต่อย่างน้อยก็จะเอาไปผสมผสานกับฐานความรู้เดิมอธิบายคนไข้ให้เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ของเขาเองกระจ่างขึ้นตลอดจนจี้จุดได้ถูกว่า คนไข้ควรมีสติรู้ตัวณจุดบอดอันใดเพื่อช่วยตัวเขาเองให้พ้นจากปากเหวแห่งนรกได้ทันบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่50เสียงอ่านโดยโจโฉ